ตอนนี้เห็นสภาวะว่าถ้าเกิดตอนที่มีเป็นผู้รู้อยู่ะครับถ้าเป็นผู้รู้อยู่ก็กิเลส ก, ก็จะไม่เกิดทีนี้ถ้าเกิดผู้รู้หลงไปใช่ไหมครับตัวล่างค่อยค่อยทำงานเห็นอย่างนั้นครับจ่อย่าเอาตัวบนไปค่มตัวล่างนะต้องไม่ไปค่มมันไว้ปล่อยให้ตัวล่างทำงานไปอิสระแค่มีตัวนี้อยู่เท่านั้นแล้วที่เข้าใจว่าถ้าเกิด ตัวบนหลงไปแล้วตัวล่างค่อยทางานงี้เข้าใจถูกไหมครับหรือว่ามันแยกกันทำไม่ถูกครับมันแยกกันทำาหรอครับแต่ว่าทียงแต่ว่าพอเราเอาสติไปขมนะตัวล่างมันก็ทำงานอย่างที่เราต้องการมันไปบังคับไว้พอเราไม่ได้บังคับตัวนี้ก็ทางานอิสระไปตามความเคยชินของมันรวงความก็คือทำงานไม่เลิกหรอก ไม่ไม่ค่อยเข้าใจถึงสภาวะที่มันทํางานแยกกันนะครับจริงๆแล้วก็คือขันแต่ละขันนั่นเองทำงานไปอันนี้เป็นตัวรู้ใช่ไหมเป็นคนรู้อันนี้เป็นตัวปรุงแต่งตัวรู้ก็ทําหน้าที่ของตัวรู้ไปตัวปรุงแต่งก็ทําหน้าที่ของตัวปรุงแต่งไปอย่างนี้ใช้ได้ไม่แทรกแซงกันแต่ถ้าภาวนาผิดก็จะเอาตัวรู้ไปแทรกแซงตัวปรุงแต่งไปบังคับมนะันนั้นต้องไม่ไปบังคับมันนะ ปล่อยให้มันทํางานไปหลวงพ่อนะมันภาวนาเหมือนอย่างของคุณมันตั้งให้มันเสร็จแล้วเกิดสงสัยว่าจะดูตัวไหนดีถ้าดูคําสอนของหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตน่าจะไปดูตัวรู้ใช่ไหมหลวงปู่ดูลก็บอกไม่ให้ออกจิตไปแสวงหาจิตไม่ให้ออกผู้รู้ไปแสวงหาผู้รู้แต่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกทุกอยู่ข้างล่างรู้สึกไหม ข้างบนดูไม่ทุกถ้าฟังพระพุทธเจ้ า, จาบอกให้รู้ทุกก็น่าจะรู้ข้างล่างทําไมสอนขัดแย้งกันนมัขัดแย้งกันที่จริงเคยสงสัยอย่างเนี้ยแล้วก็ขยับจะถามตั้งแต่หลวงปู่ดูลนะลก็ไม่ถามเอาไว้ดูขยับจะมาถามหลวงปู่เทสก็ไม่ถามเรื่อยมาในจนองสุดท้ายมาันเจอหลวงปู่สุวัตก็ขยับจะถามว่าจะเอาไหนดีแต่แล้วไม่เอาเอาไว้ดูเองถึงได้พบอันหนึ่งว่าถ้าเราไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ก็ผิดนะ เอาผู้รู้ใส่เพ่งมาใส่สิ่งที่ถูกรู้ก็ผิดอีกนะถ้าปล่อยให้เขาทำงานต่างคนต่างทางานเป็นอิสระแก่กันแค่เห็นว่าขันมันแยกขันออกมาจากกันให้ขันมันแยกออกจากกันแล้วมันทำงานต่างคนต่างทำไปตามหน้าที่ของแต่ละขันไม่ก้าวไก่กันค่อยดูไปอย่างนั้นแล้วจะไปบังคับอะไรกันคือเวลาตัวรู้หายไปตัวหลง ตัวหลงไปจิตใจมันก็ทำงานไปตามความเคยชินคืออนุสัยกิเลส<น>เคยเคยโมโหมันก็กระทบอะไรนี่โมโหขึ้นมาเยมันก็เป็นไ ป, นปนตามความเคยชินนี่พอมีตัวผู้รู้ไว้ถ้าจัจงใจตั้งตัวผู้รู้ไว้เนี่ยเหมือนกิเลสไม่ยอมทำงานไม่ดีนะไม่ใช่ดีนะเป็นการข่มไว้เป็นการไปข่มเอาไว้ตอนนี้รู้สึกัหม ใ, ใจเราไป ไม่ปกติรู้สึกไหม น, นั่นแหละเพราะว่าไปเอาตัวผู้รู้ไปข่มตัวหุกรู้อะไรเพราะว่าตอนตอนแรกเข้าใจว่าถ้าเกิดแบบตั้งตัวผู้รู้ไว้เราตอนผู้รู้มันก็จะเห็นว่าเผลออะไรผลักดันให้เราตั้งตัวผู้รู้ไว้ลราโลภะนะไหกิเลสเกิดขึ้นละเราไม่เห็นตั้งแต่ตอนจุดเริ่มต้นเราก็ไปตั้งตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวผู้รู้ไปดูตัวอื่นๆผู้แสดงมันจงใจปฏิบัต มันมันจะรู้สึกว่าตัวผู้รู้นี่มันมันมันมันมันเป็นตัวเราแล้วมันก็นิ่งๆอยู่นั่นแหละแล้วตัวอื่นแสดงไตรลักษณ์ยกเว้นตัวผู้รู้มีหลายคนนะภาวนาแล้วมาสู่จุดนี้ก่อนมีพวกวิเวกอาสมมาหลายคนเลยไี่ตั้งไว้อยู่เนี่ยตั้งสบายอยู่นะตัวผู้รู้อ่ะเห็นว่าเราบอกว่าเห็นไตรลักษณ์เราเห็นแต่ตัวอื่นสิไม่เห็นตัวผู้รู้เป็นไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้นะไม่ขาดหรอก ตอนแรกเข้าใจว่าถ้าเกิดมันมีเติดตัวผู้รู้ใช่ไหมครับแล้วมันจะเห็นตัวผู้รู้ว่าตัวผู้รู้นี้มันเกิดดับเกิดดับแต่ทุกวันนี้มันไม่เห็นเลย ม, เมันมันรู้สึกว่า <c oughs> ถึงมันจะดับไปแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นดวงเดิมตลอดดวงเดิมคงที่อยู่อยนะ่างนั้นรู้สึกว่าเที่ยงเห็นของอื่นไม่เที่ยงยกเว้นตัวผู้รู้เที่ยงหลวงปูล่าผููเจ้าก็สอนะผู้ใดเห็นว่าตัวผู้รู้เที่ยงแนละ้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐนะิเป็นมิจฉาทิฏฐิให้รู้ทันอย่าไปจงใจตั้งเอาไว้ มันแค่ะระลึกถึงความมีอยู่ของมันเท่านั้นแต่ไม่ใช่ไปประคองไว้แล้วก็กีดกันมันออกจากสิ่งแวดล้อมรู้สึกไหมเราไปกีดกันเราตัวผู้รู้ออกจากสิ่งแวดล้อมทีนี้ถ้าเกิดไม่ตั้งปุ๊บมันมันมันมเลยไม่รู้จะทําอะไรเลยครับดูมันทําสิไม่ได้ทําอะไร <c oughs> นะแม้ใจลึกๆอยากทํารู้สึกไหม <c oughs> นั่นแหละตัวนั้นมีปัญหาการปฏิบั <c oughs> ติม <c oughs> ตไม่ใช่ให้ทําอะไรแต่ให้ดูกายดูใจเขาทํางานของเขาไป รูปก็ทําหน้าที่ของรูปไปเช่นหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินนั่งนอนของเขาไปคู่เหยียดไปเวทนาก็ทําหน้าที่ของเขาสุขทุกข์เฉยเฉยไปเวทนาทางกายก็มีแต่สุขกับทุกเวทนาทางใจมีสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาก็จําได้จําทางตาจําทางหูจํารูปจําเสียงจํากลิน่นจํจารสจําโปรดธพระจําอารมณ์ภายในสังขารก็ปรุงดีปรุงชั่วไป จิตก็ทําหน้าที่รู้ไปรู้ทางตาระดับรู้ทางหูระดับนี่เราไปตั้งตัวผู้รู้ทางใจไว้คงที่ตั้งแรงไปเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กันระหว่างตัวผู้รู้กับตัวตัวใจที่ทํางานแต่จริงมันแยกกันทํามันไม่ต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมครับฮะจริงๆมันไม่ต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมครับตัวผู้รู้ก็คือจิตคือใจเรานั่นแหละแต่ว่าไปทําหน้าที่เป็นตัวผู้รู้ซะหรือบางทีมันก็ทําหน้าที่เป็นตัวผู้หลง ก็คือจิตนั่นแหละทําหน้าที่อย่างนั้นนี่จิตพอเราประคองไว้ด้วยสติประคองไว้ด้วยสมาธิเด่นดวงขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่านี่ตัวผู้รู้เที่ยงตัวอื่นไม่เที่ยงยังภูมิใจนะเห็นไตรลักษณ์เห็นทันทีกายไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยเหลืออันเดียวคือจิตจิตนี่แหละคือเราอย่าไปตั้งตัวผู้รู้แข็งแข็งอย่างนั้นปล่อยทิ้งไป แล้วก็ให้ดูไปมีผู้รู้บ้างมีผู้หลงบ้างนะไม่ใช่มีผู้รู้อย่างเดียวนะคนที่เคยฝึกทางสมถายานิกมามันพร้อมที่จะตั้งตัวนี้ขึ้นมาหลวงพ่อแต่ก่อนก็ตั้งนะแต่ตั้งเสร็จแล้วใจ ม, มันมัวสนใจเห็นน้นเห็นนี้นะ ม, นมันมัวศึกษาไปไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เวลาทำความสงบเงี้ยกลับมาอยู่กับผู้รู้เวลาปกติก็ใช้จิตทางานปกติตามรู้ตามดู เมื่อจริงๆก็คือไม่รู้ว่าฝึกสมถะมาหรือเปล่านะครับแต่แต่ว่าเหมือนแบบไม่ ร, มรู้ก็รู้ไว้ติดสมถนะเนี่ย <c oughs> รู้สึกไหมนิ่งคงที่อยู่นั่นนะ่นะนั่นอาการที่จิตติดสมถนะว่าถ้าถ้าไม่เผยแล้วมันมันน่าจะดีเออเห็นไหมจะเอาไม่เผอเนะ ไ, ไม่ใช่เอาความจริงนะแต่จะเอาไม่เผอคือจะเอาดีภาวนาไม่ได้ฝึกเอาดี ไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบแต่ฝึกเอาความจริงนี่ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับงั้นถ้าไปภาวนาจนมีตัวหนึ่งไม่เกิดไม่ดับนีอ่อันตรายนะ <c oughs> มันจะพอกปูนมิจฉาทิฏฐิอย่างโลปูล่าบอกถ้าเห็นว่าผู้รู้นี่เที่ยงก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆผู้รู้ก็เกิดดับนะจำเกณฑ์ไหมมีผู้รู้ได้ก็มีผู้หลงได้นี่ต้องดูอย่างนี้นะ เห็นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่มันไม่ค่อยจะลงเหมือนมันตั้งไว้อมันจงใจนะมันติดนั่นแหละติดแต่เดิมดีกว่านี้น่าทำไมวกไปติดตัวผู้รู้ขึ้นมาแต่เวลาเราพอนาเนี่ยเราเข้ามาถึงตัวผู้รู้เนี่ยมันจะเข้ามาอย่างนุ่มนวลมันวางสิ่งภายนอกมันรู้แจ้งแล้วมันค่อยทวนค่อยหาผู้รู้เองไม่ใช่อยู่ๆเราก็ไปตั้งตัวผู้รู้ไว้ก่อนแล้วไปดูสิ่งภายนอก ในความเป็นจริงก็คือเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายนี่เกิดดับไปพอจิตมันเข้าใจสภาวะมันวางสภาวะทวนกระแสเข้ามาทวนเข้ามาอยู่กับตัวผู้รู้ก็อยู่สบายๆนุ่มนวลเนี่ยตรงเนี้ยหลวงพ่อไปเจอหลวงปู่ดูลงสุดท้าย36หวันก่อนท่านมรณภาพไปถึงนะไปถามธรรมะท่านอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ถามไม่มากหรอกถาม ถ้าที่ทำอยู่ถูกไมมไม่ถูกจะทำยังไงนะถ้าถูกแล้วจะทำยังไงถามอยู่แค่นี้ท่านก็บอกว่าถูกแล้วทำต่อไปดูไปห้ามไปทำอะไรมากกว่ารู้นี้นะให้ทำแค่นี้แล้วท่านก็เทศจิตคือพุท ธ, ธะบ้างอะไรบ้างว่าไปเรื่อยๆจนท่านเหนื่อยแล้วก็สักทุ่มกว่าสองทุ่มหลวงพ่อก็เห็นท่านหอบเลยนะหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมยังกลับไม่ได้จาไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ พบจิตทําลายจิตจนจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ว่าผู้รู้ตัวนี้ไม่ใช่เราไปตั้งไว้แบบนี้มันจะรู้าอารมณ์ทั้งหลายแล้ววางวางวางวงไปมันจะทวนกระแสะเข้ามาถึงตัวผู้รู้เสร็จแล้วตัวผู้รู้นี้จะอ่อนโยนนุ่มนวลนะไม่แข็งหรอกอ่อนโยนนุ่มนวลเบาสบายมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่อย่างนั้นนะนี่ถ้าไม่เคยฟังว่าตัวผู้รู้นี่ก็เป็นตัวที่ไม่เอานะเราก็จะเอาตัวผู้รู้เพราะมันมีความสุข รู้สึกไหมเราปฏิบัติเราจะเอาเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะรู้จริงละวางเราฝึกเพื่อจะเอาให้รู้ทันนะกิเลสมันจะหลอกเอาวันนี้รู้สึกว่าจิตมันไม่ถึงฐานหรือเปล่าฮะไม่ถึงจิตกระจายจิตคลุงสั้นไปให้รู้ทันเป็นกลางไหมไม่เป็นกลางเห็นไหมดุอาใช่ไหมไม่เป็นกลางอยากให้ถึงฐานให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางสภาวะใดๆ เกิดขึ้นมานะไม่เป็นไรหรอกสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จิตของเราต่างหากที่ไม่เสมอภาคกันเรารักอันนี้เราเกลียดอันนี้เราอยากได้อันนี้เราอยากผลักอันนี้รู้สึกไหมอยากผลักผู้หลงอยากจะเอาผู้รู้แล้วจะเกิดการกระทําขึ้นมาเกิดการกระทํากรรมขึ้นมาใจก็หนักหนักอยู่นั้นแหะต้องรับผลของกรรมแนละ้ น, นี่มัหนักเป็นวิบากแก้ไม่ได้นะอ้าวคุณมล พ่อค่ะพ่อคิวามันมีอาการคล้ายๆของเก่งไงค่ะมันเหมือนกับเราก็คิดว่าเรารู้อะค่ะแต่มันรู้แล้วมันข้างล่างมันมยังเป็นก้อนๆ น, นั้นจงใจรู้จงใจรู้เลยเป็นก้อนๆขึ้นมาใช่ค่ะถ้ารู้จริงเยี่ยมโปร่งโล่งเบานะแต่ <c oughs> จงใจ <c oughs> ปฏิบัติก็แข็งๆ แ, แต่ว่าดูคนณะที่กัน <c oughs> หลายนี้ตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วดูมาจากข้างบน <c oughs> มองมาจากมุมเบื้องบน นี่ลงไปครุกอยู่ข้างล่างแล้วแยกแยกตื้นตื้นใช่แยกอยู่ตื้นตื้นแต่บางครั้งมันจะรู้สึกตรงหน้านี่เหมือนกับมันเบิกบานแต่พอมองไปข้างล่างมันเดยวมีก้อนๆอยู่เออก็ดูไปก้อนๆนั้นละไม่ได้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมต้องรับไปวิบากละไม่ได้นะละได้แต่กิเลสหยุดได้ที่การกระทํากรรมแต่ทํากรรมแล้วต้องมีวิบากต้องรับไป จงใจปฏิบัติก็คือการกระทํากรรมนั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานเรียกสกโก้เลยว่ากรรมฐานก็แน่นๆขึ้นมาแต่ตมนก็รู้สึกเหมือนกับเวลาอะไรเกิดขึ้นก็รู้เร็วนะคะรู้ร<ง>แล้วมันก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นธรรมชาติใช่รู้แล้วเกินธรรมดารู้สึกไหมรู้แล้วเซ่อๆอยู่นิดนึงใช่เหมือนค่ะเหมือนเหมือนได้ความรู้สึกเอ น, นั่นแหละ มันเซอเซออยู่อย่างนั้นเลแต่ก็จะคอยรู้อยู่เรื่อยนะคะไม่กล้าปล่อยเลยอะคะปล่อยซะใจถึงถึงอย่า ก, กลัวหลงนะอย่า ก, กลัวหลงเราไม่ใช่ฝึกเอารู้แต่เราฝึกให้มีรู้ขึ้นมาเป็นขณะขณะรู้แล้วก็หลงไปรู้แล้วก็หลงไปเพื่อจะได้เห็นว่าหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่หลงไม่เที่ยงแต่รู้เที่ยงนะ งั้นเราจะวิปลาสเลยคลาดลา<ข>เคลื่อนก็ก่อนหน้านี้ไปเพลินไปเพลินสุกอยู่เดือนหนึ่งไงคะก็เลยพอตั้งใจว่าทีนี้จะไม่หลงไปเพลินสุกอีกแล้วมันก็เลยกลับมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะกลับมาสุดต่งอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งสุดต่งหลงไปข้างหนึ่งสุดตรงบังคับไวนะ้สุดตรงสองข้างให้รู้ทันนะ ร, นนะรู้ทันมันถึงจะพอดีเนี่ยตัวผู้รู้คลายไปหน่อยลนะะรู้สึกไหมมันเหนื่อยนะไปตั้งไว้อะตั้งไว้ทั้งวันทั้งคืนนะ เหนื่อยคลายออกไปตอนคลายออกไปเนี่ยมันจะโซมโซมไปนิดหนึ่งนะเยอะอย่างเงี้ยหมดเรียบหมดแรงไปนะมันไปอัดมันไว้นานไม่ต้องตกใจนะให้รู้ไปครับหลวงพ่อครับบางครั้งพอปล่อยมากไปแล้วมันฟุ้งไปเลยก็พยายามที่จะไม่ตรึงมันพอปล่อยมากก็ทีนี้กิเลสมาเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบ ตัวนี้เป็นตัวช่วยเราละงั้นเราก็มีเครื่องอยู่อันหนึ่งนะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอยู่กับมือกระเท้ากระท้องอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจอยู่กับเวทนาอะไรก็ได้มีเครื่องอยู่อันหนึ่งะระลึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆเช่นถะอยะระลึกถึงใจของเราเรื่อยๆคอยสังเกตไปใจสุขใจทุกข์ใจ ด, ใจดีใจร้ายคอยดูไปเรื่อยถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่นะจะร่อนเร่เด็กเร่ร่อน แสดงว่ากำลังยังไม่พอต้องมีเครื่องอยู่ต้องมีเครื่องอยู่นะจนจบกิจเครื่องอยู่ของพระอนาคาคือตัวผู้รู้นั่นแหละต้องมีนะมีวิหารธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่แต่เครื่องอยู่เป็นบ้านบ้านกับคุกไม่เหมือนกันอย่างนี้เรียกติดคุกไม่ใช่อยู่บ้านไม่ออกแล้วใช่ไหมคุณมนก็ติดคุกแต่คุกของคุณมนเป็นคุกเล็กๆ น, ะนี่คุกชั้นเลิศเลยถูกขังไว้บนหอคอย ถ้าไม่มีผมยาวๆ่าห ย, ย่อนมาให้ใครปีนมาช่วยได้ด้วย <c oughs> ดูออกยังอย่าไปติดอยู่บนหอคอยนะลงมาเออคุณมวลชักจะใช้ได้คุณวุฒโมหาน้อยลงแล้วรู้สึกไหมอะว่าไงอีกเาไปถึงนวดแล้ว <c oughs> ใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมไม่ถึงฐานมันใจขณะเนี้ยไม่ตั้งมั่น อให้ถามก่อนพ่อไปตอบได้หมดเลยเป็นคนเยอะแน่นๆห น, น้า อ, อกอะครับ ม, มันไปอัดไว้ใจมันไม่ถึงฐานของความรู้สึกตัวมันจงใจทำจงใจทำไปแต่สังเกตไหมใจก็ฟุ้งนะแน่นๆไปฟุ้งฟุงไปดูออกไหมครับไม่รู้ทันมันนะ่ารู้ไปสภาวะมีเยอะ เนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกไหมใจมันคอยฟุง้งออกมาหาหลวงพ่อเรื่อยๆดูออก็ยังออกครับแล้วไงอีก <c oughs> ให้ถาม <c oughs> ลืมไป <c oughs> อรังจงใจมากไปใช่ไหมจงใจมากไปครับจงใจมากไปแล้วก็แรงไม่พอ <c oughs> นะจิตมันจะมีโมหานิดๆอาจจะเพราะร่างกายมันเหนื่อยมันง่วงอะไรเงี้ยหรือกินข้าวเยอะไป <laughs> เลือดขึ้นสมองน้อยไปใจมันจะซึมๆแล้วเราก็เลยจงใจฝืนๆเอาไว้รู้สึกไหมมันฝืนครับให้รู้ทันนะรู้ทันไปอ้าวคุณนัน์เชิญน่นลูกสาวเหรอเบอร์เจ็ดสิบใจลอยไปละเบอร์เจ็ดสิบเบอร์อะไรเนี่ยไม่มีเบอร์อ้าวไม่มีเบอร์อาจจะ ก, <laughs> ก็ลงเหมือนกัน อ้าวครับผมเด็ถามหลวงพ่ออย่างขณะที่เราบางครั้งผมนั่งรถอะครับแล้วก็มองไปข้างนอกมองไปแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงครับทีนี้พอสักพักงมันมันก็จะไปคิดเรื่อ ง, งอื่นคือสะโพตรงนั้นก็จะรู้ทันที่ที่ไหลไปคิดปั๊บแต่ว่าบางครั้งขณะมองๆเนี้ยเราก็เหมือนจะไปไปไปสนใจหนงจุด น, นึงแป๊บหนึ่งนะเบอร์เจ็ดสิบทำอะไรเออให้รู้ทันนะหลงนะ ตอนนี้จิตตอนนี้สบายกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมเนี่ยจิตที่มันรู้สึกตัวมันต้องสบายๆไม่ใช่แข็งๆไหมเนี่ยเริ่มอักแล้วรู้สึกไหมเนี่ยจุดที่ผิดคจุดตรงนี้พอเราคิดเรื่องปฏิบัตินะมันจะเข้าช่องนี้เลยใจจะแข็งๆขึ้นมาทื่อๆรู้สึกไหมทื่อๆไปแล้วไม่สบายเหมือนเม่กี้อ้าวว่าต่อก็ขณะที่ที่มองไปครับคือช่วงที่พอเรารู้เปิ่ว่าเราเรา เผลอไปคิดแล้วพอเรากลับมาก็มองไปกว้างๆเหมือนเดิมเลยครับอันนี้มันเป็นลักษณะการเผลอไปไปทางตาหรือเปล่าหรือว่าคือเวลาเราเผลอไปนี่นะเผลอไปครับารู้แล้วเนี่ยอย่าไปประครองไว้อย่าไปจงใจไว้เอาคุณยังติดการประครองนะติดความจงใจที่จะรู้สึกขนาดนี้ก็เป็นรู้สึกไหม ย, ยังเป็นอยู่นะยังไม่เลิกรู้สึกไหม ลอไม่ออกดูออกไหมให้รู้ลงไปนะรู้ลงไปให้เรารู้ความปรุงแต่งของจิตแต่อย่าไปปรุงแต่งจิตเสเอง mm hmm. นักปฏิบัติชอบปรุงแต่งนะอยากดีนะอยากดีกลัวเสือกลัวเสลอก็พยายามตั้งอะไรไว้อันกลัวเสอนี่เรียกว่าปฏิบัติเอาดีอีกพวกหนึง่งปฏิบัติเอาความสุขมีความสุขแล้วประคองไว้สบายไม่อยากยุ่งกับใครนะ พวกนี้ก็ติดความสุขพวกหนึ่งอยากได้ความสงบอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ให้ใจคิดใจนึกอะไรอยู่กับความว่างๆเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาความสุขความสงบหรือความดีความสุขความสงบความดีเป็นแค่ของแถมแต่เราต้องการเอาความจริงความจริงของกายความจริงของใจเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นทุกข์นะเขาเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานี่อย่าไปบังคับเขา พระละหันไม่ใช่คนที่ฝึกให้กายนี้ใจนี้เที่ยงได้นะกายนี้ใจนี้ของพระละหันไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเหมือนกับของปุถุชนนั่นแหละแต่ว่าพระละหันต่างกับปุถุชนหรือต่างกับพระอริยะอื่นๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือพระละหันนั้นไม่ยึดถือจิตในขณะที่พวกเราไปยึดถือไปเกาะเอาไว้ดูออกไหมเราไปจับเอาไว้เรื่อยๆเราไม่ได้จับเอาจิตอย่างเดียวนะเราจับอันอื่นด้วย จับอารมณ์โน้นไปจับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆเนี่ยหลงแวบหนึ่งรู้สึกไหมแล้วก็หลงไม่เต็มที่อ่ะหลงไม่มีอิสระรู้สึกไหมเพราะว่าไปตรึงมันไว้ด้วยก็พอพอมันแวบขึ้นมามันเหมือนมันอยากจะดึงออจับตรงที่อยากดึงอะ่ะเลิกซะอย่า ก, กลัวหลงอย่า ก, กลัวงโง่อย่า ก, กลัวมันอย่า ก, กลัวกิเลสนะเราต้องเรียนรู้จากมันนั่นแหละคือถ้าเรากลัว กิเลสกลัวอะไรถนะ้าเราประคองใจให้นิ่งไว้นะไม่มีปัญญานะมีแต่ความสุขความสบายเนี่ยเราไปรู้ไปเดี๋ยวจิตก็ปรุงกิเลสเนี่ยจิตก็ปรุงกุศลอะไรเงี้ยคอยรู้ไปเดี๋ยวจิตปรุงสุขเดี๋ยวจิตปรุงทุกข์เห็นไหมเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยไม่คงที่แต่ถ้าเราไปตั้งไว้อย่างนี้มจะมีตัวคงที่รู้สึกไหมนี่ก็มีนี่ก็มีเนี่ยตั้งแข็งๆเลยนี่นุ่มนวลกว่านะนี่ตั้งผิวเผิน มีดีกรีที่ไม่เท่ากันหลวงพ่อเห็นติดตัวนี้มาหลายวันแล้วนะติดเฉยๆตัวเนี้ยหลวงพ่อรอดูว่าเ ม, มื่อไหร่มันจะคลายดูมาหลายวันแล้วนะรู้ทันไหมรู้ไหมว่าไปไปบังคับไปจงใจปฏิบัติเออใช่เทรนด์มันดีขึ้นอ่ะมันเบาลงเบาลงนะแต่มันยังไม่หมดไปดูต่อนะอัตติ เบอร์ดเอาละเบอร์เจดสิบก็ติ่นเต้นแล้วก็มีโมหะใช่ตับถูกตับถูกตับถูกก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมไม่ว่าสักคำก็ช่วงช่วงก่อนรึ้ว่าตัวเองก็คือรู้สึกตัวได้ดีมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ก็พอดีก็ไปตำหนิดคนงานที่บ้านในช่วงที่ คือเขาก็มามามาพูดไม่ดีนะฮะก็เลยรู้สึกว่าตอนพูดไม่ดีก็รู้สึกสอึกไปแป๊บหนึ่งมรติรู้สึกไหมตอนนี้ยขณะที่เล่าไปเนี่ยก็พยายามประคองความรู้สึกตัวไปครับเลิกนะ <c oughs> อย่ากลัวหลงสิไม่เข้าถ้าเสือไม่ได้ลูกเสือนะ <c oughs> กลัวหลงทําอะไรก็กลัวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันไม่เป็นธรรมชาติมันคือความปรุงแต่งฝ่ายดีครับ รากเง้าของความปรุงแต่งฝ่าดีก็คืออวิชชาแล้วไงนี่ก็เลยว่าเขาไปเมื่อวานแต่ตอนที่ว่าเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่ได้โกรธเขานะแล้วก็ก็คือคิดว่าสมควรที่จะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะพูดพูดไม่ดีเรื่อยๆทีนี้ก็เลยก็เลยแต่พอพอว่าเสร็จนะฮะก็ก็สบายดีแต่พอขับรถออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะไปว่าเขาเนี่ยทํากรรมแล้วมันก็ ก็เริ่มแบบรู้สึกกังวลว่าจะได้งั้นไม่ได้เป็นขึ้นมาเพราะไปว่าเขาหรอกเป็นเพราะคิดมากรู้สึกกลัวว่ามันจะมีผลตอบสนองแบบมีหน้าที่ว่าต้องว่านะพระพุทธเจ้าสอนให้ชมคนที่ควรชมต้องข่มคนที่ควรข่มอะไรเงี้ยคือการบริหารต้องมีให้คุณให้โทษไม่ใช่ไม่มีเลยแต่เขาทำผิดต้องสอนเขาก่อน สอนแล้วไม่ฟังก็ต้องลงโทษลงโทษเบื้องต้นก็ว่ากล่าวตักเตือนต่อไปตัดเงินเดือนไล่ออกส่วนไหนที่เศร้ามองขึ้นมานะก็ไปคิดเอาเองอะไปส่งต่อโอ้ยมเอยอะอย่างงี้จะยังไงก็ไม่หมดเนาะแต่เมื่อวานไม่รู้อีท่าไหนนะหมดห้องเลยนม้มัดาการหลวงพ่อครับเออ เมื่อเมื่อเรานี่ไปภาวนาที่ผา่อนแก้วมาครับแล้วก็คือปกติาาแล้วภาวนาเราจะมีตัวรู้แล้วก็สิ่งถูกรู้นะฮะอยู่ดีๆมันก็คือเหมือนว่าปล่อยให้กายกใจเป็นธรรมชาติก็จะเห็นรู้แต่ไม่ใช่ตัวรู้รู้ว่ามีตัวรู้อยู่ตัวนัออ่นแหละรู้อย่างงั้นแหละดีรู้อยนะ่างนั้นมันรู้นุ่มนวล ไม่แข็งแข็งนะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วครับตอนนี้มันเป็นจิตที่ชุลมุนวุ่นวายแล้ว <c oughs> ดรอกอกเปล่าอาครับไอ้ <c oughs> ที่ผ่าซ่อนแก้วนั้นได้หายไปแล้วเมื่อสองเมื่อสองวันนี้ก็เหมือนเหมือนจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนแบบกำลังคิดแล้วว่าต้องทำนี้ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเอ๊ะเมื่อกี้คิดอะไรมันจำมันหายไปหมดเลยครับคือถ้าต้องจานะต้องเอาสติกับกลับเข้าไปจงใจจำเนี่ยจำแม่น แต่ถ้าใจของเราสมาธิมันล้มหน้าเนี่ยมันไม่จํามันจะทิ้งไปเลยมาอยู่กับความเฉยเฉยสบายไม่จําไม่คิดไม่นึกอะไระสมาธิมันเยอะไปครับแต่เนี้ยสมาธิล้มหน้าไปนิดหนึง่งไปส่งต่อไปไปทางไหนก็ได้นะเดี๋ยวหลวงพ่อบอกก่อนกติกาเวลาส่งต่อมาเนี่ยไม่ต้องเครียดนะ ใครไม่อยากพูดก็รับแล้วก็ส่งต่อไปไม่ต้องไม่เอาไม่เอาอย่างนี้นะเสียเวลารับไปเลยแล้วก็ไม่เอาก็ส่งต่อไปหลวงพ่อชอบมากนะส่งได้ยี่สิคนนี่ยิ่งชอบอ้าว่าไปเพราะวันหนึ่งพ่อบอกนะครับก็กลับไปดูรู้สึกว่ามันไม่เข้าถึงกังไม่เข้าถึงใจอยู่ดีครับก็เลยไม่รู้จะทำไงก็คิดว่าจะล้มกระดานดีไหม ล้มไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปรึกษาคุณพ่อหม่ว่าควรจะทจําจดิตยังไงใหม่ที่ถูกจริตก็คิดไปนะเอาลองนอนก่อนดีกว่าก็เลยนอนไปชั่วโมงถึงชั่วโมงตื่นขึ้นมามันสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าเออสงสัยไปนั่งพิจารณาดูรู้สึกว่าตัวเองมันคงจะอยากเพราะความอยากตัวเองก็เลยอืใช่นั่งพิจารณาดูเรื่อยๆก็มันก็ค่อยดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นมากแล้วขณะนี้ล่ะเป็นไงอันนี้ครับออมี อาการนี้ไม่คือติดถึงแ ต, ต, ต, ต่นิดๆรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านใช่ให้รู้หนะ้าจิตฟุ้งซ่านไม่ถึงฐานมันแบบก็รู้ไปไม่ต้องแก้นะให้รู้เฉยๆครับวามจริงถ้าภาวนาทําสมถะเป็นนะแล้วทําเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเราพุโทโธพุโทโธเป็นเครื่องอยู่ <c oughs> ใจไหลไปหนีไปที่อื่นเราก็รู้ทันแต่เราไม่ใช่พุโทโธเพื่อห้ามไม่ให้ใจเคลื่อนที่ พูดโธเป็นแบ็กกราวหรือหายใจเป็นแบ็กกราวเป็นแค่แบ็กกราวเท่านะั้นปล่อยให้มันทำงานไปถ้าพูดแบบภาษาดนตรีคล้ายๆเรามีกรรมฐานอันหนึ่งเป็นตัวริทึมตัวเอริทึมภาษาไทยว่าอะไรเออเวลา<ม>เขาไม่ใช่เมโลดี้ด เ, เมโลดี้คือตัวจิตที่ปรุงกุศลอกุศลปล่อยให้เขาทำงานไปแต่เราไม่มีจังหวะอยู่ในใจ เช่นเรามีพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปปัจจัยเคลื่อนไปหนีไปนะมันจะไม่ลืมนานตามลมเนี่รู้สึกมันจะซึมซึมการผมมันจะซึมเออเนี่นก็ไปเดินเนาะใช่เลยครับใช้เดิน เ, เนาะกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวทากรรมาฐานที่เคลื่อนไหวอตอนี้จิตมันมีโมหะเยอะครับจิตมันมีโมหะเยอะไปนั่งแล้วจะซึมมาก่ส่งต่อไป นมัส ก, การค่ะคือตามรู้นะคะก็ยังมีอาการตรึงแล้วก็จ้องเหมือนกับมีใครมานั่งจ้องอย่างนี้ค่ะแล้วก็แน่นจนกระทั่งหลายวันก็พยายามคลายให้เป็นธรรมชาติก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเป็นบางบา ง, บางวันก็จะได้ดีบางวันก็ทําไมมันหายไปไหนไม่รู้นะคะแล้วก็เมื่อวานมีอารมณ์เศร้ามากเศร้า ขึ้นมาล้ลอกแล้วลอกโอ้โเหมือนขึ้นใหญ่เลยค่ะแต่รู้รู้รู้รู้รู้จนทั้งวันจนทั้งเมื่อวานบ่ายหายไปนะคะก็ตอนนี้จะเศร้าเองหรือหร่อไงอยู่ๆก็เศร้าเปค่ะเออก็แพดส่วนบุญมากทั้นั้นก็คือช่วงอาจจะมีความเครียดบ้างคือตั้แต่แรกจะมีความเครียดความเครียดแล้วคงสะสมแล้วก็นอนไม่ค่อยพออแต่ตอนกลางคืนเนี่ยก่อนเมื่อวานเนี่ยมันจะเหมือนเป็นลูกเล็กมันจะเข้ามาจะรู้ว่าเศร้านิดหนึ่ง แต่พอตอนเช้าตอนกลางวันนี่รู้สึกจะเป็นลูกใหญ่เลยมาเหมือนพายุเลยอแต่ก็รู้รู้รู้รู้จนกระทั่งเมื่อวานเย็นมันก็หายไปแต่ตอนนี้มันมีอาการว่ามันเหมือนมันจ้องเหมือนเกงอะแต่ตอนนี้พอรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีอาการเพ่งอย่างเงี้ยจิตจะเริ่มรู้แล้วอะจะมีการเพ่งจะทำไงดีคะไม่ต้องทําอะไรสิรู้อย่างที่มันเป็นไม่เป็นไหมจิตมันทํางานได้เองมันจะหนีไปคิดมันก็คิดเองใช่ไหม มันจะไปเพ่งมันก็ไปเพ่งของมันเรานั่งดูมันไปเหมือนเราดูคนอื่นเพะฉะนั้นเวลามันสุกนะเราก็เห็นมันเหมือนคนอื่นสุกไม่เกี่ยวกับเรามันทุกข์ก็เราเห็นเหมือนคนอื่นทุกข์ไม่เกี่ยวกับเรามันเศร้าก็ให้มันเศร้าไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใจถึงถึงนะดูไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะโอ้ขันนี่มันไม่ใช่เราหรอกแล้วก็มีเวลาเวลาถ้าเกิดอาการเกร็งแน่นน่ะเที่ยวแรกจะไม่รู้ แต่พอเที่ยวหลังจะรู้โอ้สงสัยนี่เราจะไปอยากจะปฏิบัติมากเลยคะคิดว่านะฮะดีๆ ก, ก็เลยรู้เราใส่ฟังซีดีหลวงพ่อละมั้งฟังเช้าฟังเย็นฟังบนรถฟังที่ทํำงานต้องอย่างนั้นสิรู้สึกไหมใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วนะก็ก็จะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ตื่นตื่นพอสมควรหรือยังใช่ใช่ตื่นพอสมควรไม่ใช่ตื่นพอดีตื่นพอดีก็บางบางทีก็เหมือนก็พอมีอยู่ช่วงหนึ่งพอมันมันจ้องมากมาตึงมากๆอย่างเงี้ย จะมีความสุขโอ้แมวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอพักแล้วแมวทิ้งแล้เดี๋ยวขอ แ, <ต>แล้วก็ว่า ม, มันเลิกไม่ได้หรอกอพอไม่ได้สักพักก็ก็จะเริ่มพอผ่อนคลายมันว่า <c oughs> คืออย่างมีเมื่อหลายปีก่อนดูหนังสือหลวงพ่อประบัติสองธรรมที่ที่หลวงพ่อบอกว่าให้เหลียวดูชำํำระงดูก็ไปปฏิบัติปฏิบัติได้อยู่พักหนึ่งแต่รู้สึกก็ปล่อยไปพอปล่อยไปพอช่วงหลังลูกชายนี่เอาซีดีมาแล้วก็เอาหนังสือมาก็เลยเริ่มเริ่ม แต่ว่าเหมือนกัว่าช่วงปีที่ผ่านมาไปไปสมถะไปตึงมันมากมือนก็ปิดโลกเหมันก็อยู่ในถ้าอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมานั่งก็เดาว่ามันก็เดยมานั่งตึงจะต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะนอนเวลาถ้าแต่จองโยมไม่นานมากอ่ะมันติดสมถะไม่แรงบางคนติดสมถะแรงแก้ไม่ได้เลยหลวงพ่อก็ปล่อยน้ําคนไหนแก้ไม่ไหวจริงๆก็เป็นหน้าที่ของพระศรีอานจะมาแก้ให้ ถ้าถ้าอย่างนี้ไม่นานใช่ไหมคะไม่นานหรอกจะได้มีกำลังใจอเออไม่นาน <c oughs> ใช้ได้นะ่ทาทั้งแม่ทั้งลูกอรัมัศการครับผมเพิ่งพาคุณแม่มาผมกับคุณแม่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกคือ <ừ. S 3> ก็ฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณสาสี่เดือนอะอนอะฮะก็ปฏิบัติแบบพองยุคมา ก, ก่อนก็ตั้งแต่ฟังซีดีก็พอยสังเกตตัวเองฮะก็ รู้บ้างเผอบ้างเพ่งบ้าง ม, มีคำถามว่าไม่รู้ว่ามาถูกทางใช<ด>่ไหมครับใช่ได้ดูไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังบังคับตัวเองไว่นิดหนึ่งใช่ครับบังคับมากกว่าแม่นะแต่แม่นะ่ะฟุ้งกว่าลูบดีรู้รู้อย่างที่มันเป็นใช้ได้ดูไปนมัสการครับก็คือเคยไปกราบนมัสการพระจ่าที่ตรงกาญจน บ, บุรี มาสักครั้งหนึ่งแล้วก็เลยวันนี้เลยพาคุณพ่อคุณแม่มา ม, มาปฏิบัติลูกน่ารักนะลูกวันนี้เนาะพาพ่อแม่เข้าวัดดีจังครับก็เรื่องของจิตก็เคยปฏิบัติมาบ้างครับดูไปเรื่อยๆครับก็ดีแหละสบายๆครับแต่บางครั้งมันยังเป็นคนหนุ่มมันก็จะมีเรื่องของพวกเวลา กาม า, า, า, มามาราคะมันก็มารัดมันก็เกิดความทุกข์นะฮะแต่มันก็จริงเรื่องกิเลสเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับหนุ่มหรือแก่นะแก่แก่ก็ตัดหนากลับได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีอะไรครับดีละดีละโอ้พาพ่อแม่เข้าวัดดีที่สุดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าพ่อแม่มีบุญคุณมากที่สุดเลยเพราะพ่อแม่เนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายมากับเราให้โลกให้เราสัมผัสกับโลกได้เหมือนพ่อแม่เป็นคนให้โลกกับเรา บุญคุณของพ่อแม่นี่มากมายท่านบอกไม่มีทางที่จะตอบแทนบุญคุณได้เลยการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้มีวิธีเดียวคือต้องให้ดวงตากับพ่อแม่คือถ้าสามารถให้พ่อแม่เข้าถึงธรรมะได้ถึงจะเรียกว่าแทนคุณได้ถ้าไม่สามารถทำพ่อแม่ให้เข้าถึงธรรมะเรียกว่ายังไม่มีดวงตาไปให้ไม่ได้ดวงตามไม่สามารถแทนคุณที่พ่อแม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายมา เพ่อแม่ให้อายตนะมามีบุญคุณมากถ้าลูกคนไหนสามารถพาพ่อแม่ภาวนาเข้าถึงธรรมะได้นะเรียกว่าแทนคุณได้ถ้านอกนั้นแทนคุณไม่ได้หรอกนั้นดีที่สุดเลยเก <Yeah. S 1> ่งนะพาพ่อแม่มาเข้าวัดหลวงพ่อยังทำไม่ได้เลยนะแม่หลวงพ่อนะ้นนินทาหน่อยนะอย่าไปบอกแกนะ <c oughs> บอกให้แกพูดโทนะแกก็พูดโทพูดโทเดี๋ยวแกก็เลิกไปแล้วก็ตอบว่าทาไมเลิกละแป๊บเดียว เพราะมันลืมอ่ะทำไม่ได้แก่แล้วทำไม่ได้ปากหลักอยู่ตรงนี้เองว่าทำไม่ได้ทาไม่ได้จริงๆทำได้ทุกคนแหละถ้าจะทำอ่ะไปถึงไหนละเชิญเชิญครับคือตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองชอบติดสบายแต่บางทีก็ฟุง้งซ่านเลยไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติแบบไหนดีเหรออยากปฏิบัติด้วยแบบตอนแรกอ่ะ อ, อยากกับเหลือปฏิบัติเพื่ออะไรล่ะทําไมต้องอยากปฏิบัติก็ <c oughs> อยากเหมือนกับจะได้พัฒนาจิตนะฮะผนทุกข์เออถ้าอยากพ้นทุกข์นะเป็นอย่างหนึ่งนะอยากมีความสุขเป็นอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> นะคือจริงๆแล้วคนเราแต่ละคนนะเราเรียนรู้สิ่งอื่นๆอยู่ตลอดเวลาแต่เราล่าเลยที่จะเรียนรู้ตัวเอง คนทั้งหลายนะวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยแต่หาไม่เจอความสุขเหมือนภาพลวงตานะเหมือนเงาวิ่งไล่จับไม่ได้สักทีตั้งแต่เด็กมาเราก็หาความสุขมาเรื่อยจนแก่จนจะตายนะั้นก็หาไม่เจอหรอกเหมือนเหมือนจะได้แล้วก็หลุดมือไปตลอดเวลาเลยนันคนในโลกต้องการความสุขแต่คนในโลกเนี้ยเที่ยวหาความสุขจากภายนอกไม่สามารถที่จะเข้ามาค้นพบความสุขภายในตัวเองได้ความสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยคนอื่น ความสุขของเราที่เรารู้จักเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นถ้าเราอยู่กับคนนี้ถึงจะสุขถ้ามีคนนี้ถึงจะสุขนะถ้าไม่เจอคนนี้ถึงจะสุขถ้าได้ทรัพย์สินอย่างนี้ถึงจะดีมีความสุขความสุขเราจะอิงข้างนอกหรืออิงชื่อเสียงเกียรติยศที่ของข้างนอกพุทธเจ้าสอนว่าวิธีหาความสุขอย่างนั้นเราไม่เจอความสุขที่ถาวรหรอกความสุขจริงๆเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เข้ามาในกายในใจตัวเองนะ พอกายกับใจเนี่ยความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าเรียนรู้อย่างถ่องแท้ในกายในใจตัวเองถึงวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์จะไม่เข้ามาสู่ใจละเราจะสามารถมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์เลแต่ว่ากว่าจะทําได้เหนื่อยนะมันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองพวกเราแต่ละคนเราลงทุนให้กับชีวิตของเราตลอดเวลาอย่างเราต้องไปเรียนหนังสือทั้ง10ปี20ปีเนี่ยก็คือการลงทุนให้กับชีวิต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 เราพ้อลาเลยมากที่สุดเลยเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะนึกถึงนะนึกถึงตอนใกล้จะตายแล้วโอ้โหจะตายแล้วเสียดายจังเลยนะ <c oughs> นั้นหัดรู้วิธีหัดรู้ก็คืออย่าใจลอย ร, รู้จักใจลอยอยังรู้จักแล้วครับเวลาที่ใจลอยใจจะหลงไปคิดคมันไปรู้เรื่องที่คิดแต่มันจะลืมกายลืมใจนะอันที่สองการเพ่งเพ่งกายเพ่งใจใจก็นิ่งๆทื่อๆก็ไม่ใช่การรู้กายรู้ใจ ศัตรูมี2อ ง, งานเผลอไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องน้นเรื่องนี้ไปลืมกายลืมใจอันที่สองเพ่งกายเพ่งใจไว้เวลาเราเผลอไปที่อื่นลืมกายลืมใจเราทําวิปัสนาไม่ได้หรอกวิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจเวลาที่เรามาเพ่งนะไม่ลืมกายลืมใจแต่เราเพ่งไว้นิ่งๆกายก็นิ่งใจก็นิ่งมันนิ่งผิดความจริงเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้งั้นวิปัสนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง เราอย่าไปกดไว้เพราะคุณติดการกดไว้นิดนึงอครับรู้สึกไหมถ้าไม่เผลอไปก็มากดกดไว้หน่อยนึงก็อยากจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันว่าบางทีก็รู้สึกว่าอพอได้ยินเสียงอะไรก็รู้สึกได้ยินแล้วก็ใจก็อาจจะเข้าไปรู้แล้วก็หายไปแต่<ม>บางาทีก็เพ่งเออมันติดเพ่งอย่างขนณเนี้ยมันเพ่งยืนพื้นอยู่เลยรู้สึกไหม <อา S 1> มันข <จะ S 1> <ม>กหนักน ก, กดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลย<อ>มันหนักหนักอย่างนั้นเพราะมันไปกดไว้ ให้เคยรู้ทันมันรู้สึกไปรู้ทันว่ายังกดอยู่เนี่ยแกล้งจะเผลอก็ไม่เผลอนะแกล้งแกล้งจะให้หลุดนะแกล้งให้หลุดมันไม่หลุดหรอกนะมันทําอาจารย์แดกดำหน่อยมันต้องเผลอจริงๆเผลอจริงจต้องใจถึงนะเผลอไปเลยบางทีเผลอก็เผลอแล้วเออมันไม่แต่พอเผลอไปแล้วมีปัญหามันเผลอนานครับเพราะงั้นเราทุกวันเราต้องหัดซ้อมที่จะเผลอสั้นๆ ทำยังไงจะเผลอสั้นต้องให้สติเกิดบ่อยๆสติจะเกิดบ่อยถ้าสติถ้าจิตเนี่ยจำสภาวธรรมได้งั้นถ้าเราต้องซ้อมเราต้องซ้อมดูสภาวธรรมทุกๆวันนะเพื่อจะได้มีสติเร็วๆแล้ ว, ลวไม่เผลอนานวิธีซ้อมดูสภาวธรรมก็คือตอนเช้าหรือเย็นก็ได้นะต้องแบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งสัก10นาที15นาทีก็ได้ไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวถ้าสตาร์ทบอกต้อง3าชั่วโมงไม่มีโยมยอมทําเลยหลวงพ่เลยบอก5นาทีก็แล้วกันนะ ห้นาทีสินาทีก็ได้นี่เอาใจสุดขีดแล้วนะครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไม่สอนอย่างนี้นะมีแต่บอกให้ทำหลายหลายชั่วโมงทั้งนะั้นหลงพ่อขอ5้านาที5นาทีนะเรามาทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยทำแล้วสบายแต่ถ้าเคยทำแล้วอึดอัดไม่เอานะแสดงว่าใช้ไม่ได้หรอกไม่ถูกเฉลิตถ้าคนไหนพุโทโธแล้วสบายก็พุโทโธคนไหนหายใจสบายก็าหายใจคนไหนดูฟองยุบแล้วสบายดูท้ององยุบไป คนไหนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วสบายนะก็ขยับมือไปอะไรก็ได้เบื้องต้นนะทํากรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งก่อนแต่ทํากรรมฐานขึ้นมาแล้วนะไม่ไปกดใจให้นิ่งนะปล่อยให้ใจมันทํางานอิสระเช่นเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใจจะแอบไปคิดแวบบไปเคยเป็นไหมใจไหลไปคิดแวบบเรารู้ทันว่าใจไหลไม่ว่ามันนะอย่าไปตําหนิมันเราแค่รู้ทันว่าอ้อจิตมันหลงไปแล้วแล้วนะมาพุโทโธอีกเดี๋ยวก็หลง อ, อีกก็รู้อีกอฝึกไปอย่างนี้ จิตมีความสุขก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตเป็นยังไงก็คอยรู้ไปเรื่อหรือเราหัดหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกอะไรเนี่ยหายใจหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดเผลอไปละรู้ว่าเผลอไปจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งจิตมีปีติขึ้นมามีความสุขขึ้นมาหรือจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้ทันว่าจิตเป็นยังไงยังไงหรือดูท้องพองยุบก็ได้นะดูไปดูไปจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้ จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆนี่เป็นการหัดรู้สภาวะนานาชนิดนั่นเองถ้าเราหัดรู้ทุกวนนัน ท, ทุกวันนะต่อไปจิตมันจะจําสภาวะได้แม่นมากขึ้นมากขึ้นจําได้แม่นขึ้นจําได้มากขึ้นนะเช่นใจลอยแวบเนี่ยสติระลึกได้แล้วว่าใจลอยมันรู้เองว่าใจลอยไปแล้วโกรธขึ้นมาปั๊บโกรธขึ้นมาปั๊บสติระลึกได้ว่าโกรธแล้วนสติจะเกิดเองในชีวิตประจำวันแล้วจะไม่หลงนานหรอก บางทีรู้สึกว่าเหมือนกับโกรธแล้วจิตมันไปรู้ว่าโกรธแต่เหมือนกับแต่มันไม่หายโกรธนั่นแหละมันจะไปเพ่งไปมันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาความจริงแต่มันจะปฏิบัติเอาความดีถ้าปฏิบัติเอาความจริงเราจะเห็นแค่ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นมานะเราห้ามมันไม่ได้นี่จิตมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเห็นหน้าความจริงอย่างนี้แต่ถ้าเอาเอาความสุขเอาความดีความโกรธเกิดขึ้นจะต้องดับให้ได้ รู้สึกไหมเราอยากดับมันอยากแก้ไขนั่นเพราะว่าเราอยากดีเราอยากสุขรเราอยากสงบนะต้องปรับโลกทัศน์ิดหนึ่งนะปฏิบัติเพื่อเอาความจริงให้เห็นว่าความความโกรธก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาช่วครั้งช่วคราวเวลาโกรธขึ้นมาอย่าอยากไล่ให้หายไปพอโกรธขึ้นมาแล้วคอยดูใจของเราดูซิเธอจะโกรธนานสักแค่ไหนจะโกรธได้ตลอดไปไหมถ้าโกรธได้ตลอดไปนะั้นเราก็เลิกศาสนาพุทธไปไม่ต้องนับถือแสดงว่าสอนไม่จริง นี่ความโกรธนะั้นเป็นของเที่ยงนะแต่ถ้าเรามานั่งดูดูซิเธอจะโกรธไดแ้แค่ไหนเอานาฬิกามาเลยนะจับเวลาดูดูซิโกรธกี่วินาทีดูไปแป๊บเดียวเลิกเลยแป๊บเดียวก็หายไปเลยเพราะอะไรใจเราเป็นกลางกับมันไม่เกลียดมันเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะมีโทสะพอเราไปรู้มันเข้าเราไม่ชอบมันไม่ชอบก็เป็นโทสะอีกตัวหนึ่ง งั้นจิตของเราเป็นอกุศลนะจิตเราไม่ได้มีกุศลจริงหรอกมันถึงไม่ดับแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นสติสักว่าเราลึกจริงๆจิตใจเป็นกลางดูมันโกรธไปเหมือนดูคนอื่นโกรธนะมันจะกระเด็นหายไปเลยจะหลุดหายไปฉับพลันเลยแล้วทันทีที่สติตัวจริงเกิดนี่อกุศลจะต้องดับทันทีนี่พวกเราหลายคนบอกเออดูโกรธอยู่นะโกรธไปรู้ไปนะลบไปรู้ไปอะไรอย่างนี้ทำไมไม่หายสักทีเนี่ย คำถามว่าทำไมไม่หายสักทีนี่นมันสะท้อนออกมาแล้วว่าอยากให้หายรู้สึกไม่อยากให้หายตัวนั้นแหละที่ไม่เป็นกลางเมื่อจิตไปรู้ความโกรธอย่างตอนเช้าหลวงพ่อพูดแล้วนะจิตไปรู้สภาวะใดๆก็ได้สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้เสมอกันทั้งหมดเลยสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันจิตของเราไม่เสมอภาคอย่างจิตไปเห็นความโกรธจิตไม่ชอบจิตไปเห็นกุศลจิตชอบ พอเกิดชอบเกิดไม่ชอบนะจิตเกิดทํางานดิ้นรนขึ้นมาจิตจะมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าจิตไปเห็นความโกรธขึ้นมาดูไปเรื่อยๆดูซิเธอจะเที่ยงไม่เที่ยงแป๊บเดียวมันจะดับทันทีเลยถ้าใจเราเป็นกลางเราจะเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความโลภความหลงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับของคุณติดการตรึงความรู้สึกไว้นิดหนึ่งนะดูออกไหมตรงนี้นี่ถามอาจารย์นี่ก็ถ้าถ้าฝึกก็คือต้อง ฝึอาจจะฝึกลมหายใจหรือจะฝึกพองยุบไปก่ได้ฝึกพองยุบก็ได้อะไรก็ได้ที่เคยทําแล้วสบายนะถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาเปลี่ยนซะอืแต่แต่พอทํามันรู้สึกจะติดตรึงอ น, นั่นเราเคยชินที่จะตรึงรถ้าไม่ตรึงจิตไปตรึกรู้ทันว่าไปตรึงนะครั บ, ค, รบคือเราฝึกเนี่ยเพื่อเพื่อซ้อมดูสภาวะแต่เดิมเราฝึกเอาดีนึกออกไหม อยากได้ยานโน้อนอยากได้ยานนี้เห็นไหมจะต้องเลื่อนยานด้วยนะแต่ละครั้งไม่รู้หรอกว่ายานเป็นของเสื่อมได้มาก็เสื่อมไปนั้นเราไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกเราฝึกเอาความจริงเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีก็ร้ายนะดูไปเรื่อยๆจนั้งวันหนึ่งรู้เลยไม่ใช่เราหรอกจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดมนมสการหลวงพ่อครับ เพิ่งหลุดจากเพ่งกับประป<ช>องมาได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะฮะดีแล้วแล้วมันก็เบาสบายมากเลยก็มีความรู้สึกว่าต่อไปนี้มันกล้าวางนะฮะจิตมันจะเรียนรู้ที่มันจะกล้าวางแล้วก็ <ๆ S 1> แต่ว่าอีกช่วงหนึ่งนะถ้าเรายอร่อหย่อนเมื่อไหร่นะมันจะกล้าหนีวิเที่ยวจะกลายเป็นเผลอใช่ไหมครับมันจะเผลอไปครัครเพราะว่าตรงที่เราไม่ประคองไว้เนี่ยเสี่ยงต่อการเผลอครับการที่เราประคองตลอดเวลานะไม่ค่อยเผลอหรอก แต่ไม่เกิดปัญญาได้สมถะเป็นกุศลนะแต่เป็นกุศลธรรมดาโลกิยะกุศลได้สมถะแต่ตอนที่เราปล่อยแล้วเราตามรู้มันไปถ้าเราตามรู้ได้เนี่ยเราได้กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้จะนําไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ถ้ามันหลงไปแล้วเรารู้ไม่ทันนะอันนี้เราจะไปอบายได้นั่นเปนการที่ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวทํางานเนี่ยนะถ้าไม่ไปนิพพานก็อาจจะไปอบายได้มันต้องกล้านะกล้า งั้นจุดแรกเลยต้องถือศีลห้าไว้ก่อนศีลนะห้าจะกั้นไม่ให้เราลงอบายเร็วเกินไปบล้ามีศีลห้าแล้วเราปล่อยให้ใจนี้ทำงานเราตามรู้ตามดูไปดีแล้วสบายขึ้นเยอะแหละเนี่ยหนุ่มใส่แว่นน้ามันยังติดอยู่ยี่ใจลอยไปด้วยรู้สึกไหมลอยไปติดไปอย่าพยายามสิลืมลืมมันไป ลืมการปฏิบัติไปลุกขึ้นมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังแล้วเพลงก็ได้นะนี่หลวงพ่อพูดขนาดนี้ยังไม่ยอมหลุดเลยเอ้าวต่อไปท้ามาสัสการอ่าโทษครับน้ามัสการท้ า, ามัสการหลวงพ่อครับนพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็ตื่นเต้นมากออยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับพอใช้ได้แล้วฟังซีดีหลวงพ่อมา่า ใชมันจะตื่นแล้วนะดูไปเรื่อยๆใช่ได้ต่อไปซีดีหลวงพ่อนะน่าฟังนะต้องโฆษณาหน่อยแกลมโมงแกล้มมีสู้หลวงพ่อไม่ได้หรอกซีดีอันอื่นนะ่าฟังแล้วหลงนะของหลวงพ่อฟังแล้วตื่นนิมัสการหลวงพ่อครับก็เห็นด้วยตามหลวงพ่อฮะว่าซีดีหลวงพ่อน่าฟังโอ้นะฟังเยอ ะ, อะๆแล้วกันฟังพอสมควรนะครับจะขอถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่ต้องทําทั้งหมด ทั้งสิ้นเนี่ยก็คือตามรู้สภาวะใช่ไหมครับใช่ตามรู้สภาวะตามที่เขาเป็นน ะ, อะพอเห็นความจริงของสภาวะทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งกายทั้งใจเนี่ยเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่เราเนี่ยจิตจะวางแลมันพ้นทุกข์เพราะปล่อยวางจะมีจะมีจุดสิ้นสุดไหมครับของมี <ๆ S 2> <อ>งสิมีเ<อ>มื่อ ไ, ไรปล่อยวางจิตได้เมื่อนั้นสิ้นสุดการปฏิบัติเมื่อ น, นั้นเลย งานทางโลกนะไม่มีวันสิ้นสุดอย่างเราทํามาหากินเนะี่ยวันนี้ไปทํางานมาได้เงินมาก็าไปใช้นะเดีย๋ยวก็ต้องไปทําอีกเงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดหรอกแต่งานทางธรรมนะมีจุดที่สิ้นสุดคราวนี้จะทราบได้ยังไงคะว่าตรงนั้นสิ้นสุดแล้วตอนนี้ยังนะ <c oughs> เออยังไม่ต้องทราบนะอันนี้ทราบว่ายังไม่สินสนะนนะส้นสุดนะโลกธาตุมันแทบถล่มเลยนะสิ้นสุดนะน้ำมัสมั่หลวงพ่อคะ่ะอยากขอคําแนะนำํำอคะค่ะอืม จะให้แนะเรื่องอะไรอะเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้สังเกตอะค่ะเพราะว่าพยายามจะเป็นผู้สังเกตแต่ว่ามันให้รู้ทันตรงนี้รู้ตรงที่อยากจะเป็นผู้สังเกตนะความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจแล้วค่อยรู้เอาอย่าพยายามไปสังเกตเอานะแต่ว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอาอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอาไม่ใช่พยายามไปดูมันพยายามไปสังเกตพยายามไปดัก อย่าไปดักไว้ก่อนให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอามันไม่ค่อยเท่าทันตรงเนี้ยค่ะต้องไม่ทันนะถ้าทันอนะผิดปกติต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงไม่ต้องทันน ะ, ะไม่ใช่หลงไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องตามไปตามรู้เรียกตามรู้จิตตามนุกปษษัสนาว่าการตามรู้จิตเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมแล้วมันก็อยากพูดแวบขึ้นมา ดูออกไหมนั่นแหะหัดรู้ไปอย่างนั้นแหะเนี่ยเผลอละเห็นไหมตอนส่งใหม่ยิ้มหวานไปด้วยนะแต่เผลอนึกออกไหมเออใช้ได้เนี่ยต้องอย่างนี้นะของคุณผู้ชายบังคับไว้นิดหนึ่งแล้วกลับนมรดการหลวงพ่อค่ะก็ฟังสี่หลวงพ่อมาได้สักสีห้าเดือนนะคะแล้วก็ตามดูตามรู้ก็จะรู้ตัวว่าเผลอบ่อยขึ้นนะค่ะ ทีนี้ช่วงนี้โดนงานนุมเราะะ้าค่ะหลวงพ่อทําให้แบบบางทีก็สภาพการรับรู้คือหายไปแล้วก็กลับกลายว่าตอนนี้จิตมันนิ่งๆ น, นะคะ่ะเกิดความเบื่อง่ายอะคะ่ะเบื่อหน่ายให้รู้ว่าเบื่อนะ <c oughs> แสดงว่าไม่นิ่งจริงหรอกมันเบื่อมันเบื่อ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเนี่ยพอไปฟังของพระอาจารย์รูปอื่นจิตเขาจะไม่ยินดีอะคะ่ะอืม <c oughs> ไม่เป็นไรน่า อย่าไปพูดเลยเดี๋ยวใครก็อัดเทปไว้หลวงพ่อจะโดนบอมแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคือโดนความเจ็บปวดเข้ามากระทบในร่างกายนะคะแล้วก็มีมีความรับรู้ว่าเหมือ น, นมีสองร่างอะคะ่ะก็คือว่าจิตมันจะมีอยู่ร่างหนึงเหมือนคล้ายๆว่า อ, อฉันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่อีกร่างหนึ่งคือกายบอกว่าอุ๊ยมันปวดมันปวดจังเลย อ, อย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือจริงๆแล้วความเจ็บความปวดนะถ้าดูให้ดีเนี่ยร่างกายไม่เคยเจ็บปวดเพราะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเจ็บไม่เป็นความเจ็บความปวดเป็นสิ่งที่แทรกซ้อนอยู่ในกายนี้แล้วก็ใจที่เป็นคนไปรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแยกกันอีกนะงั้นเวลาความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเรารู้สึกมีทั้งหลายตัวนีตัวหนึ่งปวดไปตัวหนึ่งเป็นร่างกายที่ความปวดเข้าไปแทรกอยู่ตัวหนึ่งเป็นคนไปดูมันแต่ละตัวทําหน้าที่ของมันไป ความปวดก็ทําทหน้าที่ของความปวดไปไม่กระทบกระเทือนเข้าถึงกันอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าแล้วขณะนี้จิตของโยมนี่เป็นยังไงบ้างคะเหรอแล้วโยมว่าเป็นยังไงอะ่ะไหนบอกหลวงพ่อก่อนแล้วหลวงพ่อจะบอกทีหลังรู้ตัวเต็มที่ยังขณะนี้ยบางครั้งก็รู้ตัวบางครั้งไม่ใช่หลวงพ่อว่าขณะเนี้ขณะนี้เหรอคะอขณะนี้คือรู้ตัวนะคะรู้ตัวแล้วเหรอรู้ตัวแต่แบบเหมือน รู้ตัวแบบโล่งๆหรือเปล่าไม่ทราบอะค่ะยังไม่ใช่นะตอนนี้ใจมันยังกระจัดกระจายอยู่รู้สึกไหมใจเรากระจัดกระจายไปให้รู้ทันว่าจิตใจเรากระจัดกระจายอยู่ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้ทันว่าใจไปคิดนะถ้าเรารู้ไม่ทันนะมันเหมือนรู้นะมันรู้โล่งๆอยู่กันนะแต่รู้ไม่จริงแอบไปคิดอีกละรู้สึกไหมแล้วอยากพูดอะรู้สึกไหม เห็นแรงดันไหมมีแรงดันในอกอยากดูไปตอนนี้รู้สึกตัวดีกว่าเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจตั้งมั่นกว่าเม่กี้นีเ้เมื่อกี้นะ่ะเลื่อนลอยไปต้องรู้สึกอย่างนี้นะอ้าวไปส่งไปส่งตอนส่งใหม่นี้เสร็จทุกรายเลยนะส่งใหมนี้ส่งใจไปด้วยนะอ้าวส่ตงต่ออ้าวว่างไงนััสกาหลวงพ่อคะ่ะปฏิบัติมาบ้างพอสมควรแล้วก็มาฟังซีดีหลวงพ่อ ต, ตอนนี้มีปัญหาเรื่อง ลมอัดแน่นใต้หายปลาไหลบิดเกรงต้นคอหลังขึ้นหัวหมดมรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคมากในการทำสมถะโดยเฉพาะเวลาดั้งสวดมนแล้วก็แล้วก็วกดั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นแล้วในระหว่างใช้ชีวิตประจาวันก็เป็นมันเป็นทางร่างกายหรือมั้งหรือไงไปหาหมอบ้างเปล่า เคยหาหมอมาแล้วตั้งแต่ก็อันนี้ก็มีความสงสัยระหว่างจิตกับกายแต่นี้ก็ถ้าหลวง่ได้ด้านตรงนี้ก็คือทางร่างกายเนี่ยนะเราห้ามมันไม่ได้ต้องดูแลรักษาไปตามปกติเราดูแลจิตของเราเดียวอย่างพอมันแน่นมันอึดอัดขึ้นมาเนี่ยจิตใจเรากระวนกระวายเรารู้ทัน <Okay. S 2> หรือว่ามันแน่นอยู่แต่ว่าใจเราสงบใจเราตั้งมั่นอยู่เราก็รู้ทัน แยกกายกับใจออกจากกันคือให้ตามรู้ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้ยังแยกตัวเองไม่ออกว่าเป็นตัญหาจริญหรือว่าของโยมนะไม่ไม่ต้องแยกตอนนั้นหรอกของโยมตอนนี้ยังบังคับตัวเองเยอะอยู่<ช>การที่เราบังคับตัวเองนะบางทีทําให้หลังไหลเพลิดได้นะจงใจบังคับมากๆนะมันเกร็งเกร็งไปเรื่อยๆก็ทำให้ยอกได้เหมือนกันรู้สึกไหม ใ, หใจตอนนี้ เกลกกระจา ย, า ย, ายจนี่มันถูกเรากดไว้ใช่ก็จะเป็นอย่างนี้่เกือบตลอดเวลาเออ น, น, นไหลทั้ง น, นั้นคงเป็นเพราะไอ้กดมันเข้ า, ขานะหลายคนนะบอกหลวงพ่อว่านี่ฉันแมมภาวนาแล้วมันยอกนะเดินมาอย่างนี้นะไปหาหมอมาหลายโรงพยาบาลนะหมอไม่เก่งหมอเลี้ยงไข้อโอ้หมอเทวดาก็รักษาไม่ได้นะเพราะเวลาคิดเรื่องปฏิบัติเนี่ยบังคับตัวเองเกรงตลอดเลยของโยมต้องคลายออกนะ ค่อยๆ ค, คลายทำใจให้สบายลืมคําว่าปฏิบัติไปก่อนแล้วเวลารู้ตัวว่าหนีไปคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะคิดอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยจะให้รู้ ว, ว่าอยากคิดไปห <ๆ S 2> นีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดอยากคิ ด, คดรู้ว่าอยากคิดนะอย่าดึงคืนมาถ้ดึงคืนมาแล้วจะแน่นๆสรุปว่าต้องให้คลายการอยากปฏิบัติ <S <S ใช่ใช่ความอยากปฏิบัตินั่นแหละศัตรูของการปฏิบัติเป็นมากเลยใช่ไหมคะ <S <S ใช่ส่งต่อไป ไม่เผลอไปแล้วเห็นไหมส่งไหมอยากจะถามอาจารย์ว่า อ, อที่หลวงพ่อจะพูดว่าบางคนพูดดังนิดเดียบางคนรู้สึกตัวนะฮะบางคนตื่นแล้วเนี่ยไม่ทราบว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าครับเออเหมือนกันเลยครับความรู้สึกตัวหรือความตื่นนะเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นต้นทางที่จะทําให้เราทํำมิปรัสนาได้หลายคนคิดว่าพอรู้สึกตัวแล้วก็แล้วกันรู้สึกตัวแล้วไม่เผลอแล้วก็ใช้ได้แล้วนะ จริงพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถรู้กายรู้ใจได้เราก็ต้องรู้กายรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเพื่อจะได้เห็นความจริงของกายของใจแล้วปล่อยวางได้ <Okay. S 1> หลังๆหลวงพ่อได้ยินพวกเราบางคนพูดนะบอกว่ารู้สึกตัวไว้เฉยๆแค่นั้นพอแล้วการรู้สึกตัวขึ้นมานั้นมันเป็นแค่ต้นทางเนาะอย่างใจของเราหนีไปคิด ใจนีไปคิดพเรามีสติรู้ว่าใจหนีไปคิดเราจะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อเตียนบอกเลยถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางการปฏิบัตินี่ต้นทางนะต้นทางก็คือเราขณะนี้มีคุณภาพของจิตใจที่สามารถรู้กายรู้ใจได้แล้งานถัดไปก็คือตามรู้กายตามรู้ใจตามที่เข้าเป็นต่อไปบางทีจิตก็ไปรู้กายบางทีก็ไปรู้ใจเอาแน่ไม่ได้เลือกไม่ได้ด้วยนะถึงจุดนั้นเลือกไม่ได้ก็ตอนรู้ก็คือตื่น อะไรนะรู้ก็คือตื่นแล้วใช่ไหมแค่แค่ไม่หลงไปในโลกของความคิดนะ่ะไม่ว่าตื่นขึ้นมาครับเพราะคนทั้งหลายนะหลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะก็ฝันตลอดวันนั่นแหละฝันกลางวันก็คือคิดไปเรื่อยๆอย่างของคุณตอนนี้ฝันอยู่รู้ไหมฝันแหละออคิดไปเรื่อยๆใจมันยังไม่หลุดออกจากโลกของความคิดแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมสงสัยแล้วรู้สึกไหม ความสงสัยผุดแว บ, บขึ้นมาในใจแล้วก็รู้ทันมันคุณครับเห็นไหมตอนส่งใหม่ไปอีกคนแล้วเห็นไหมที่หลวงพ่อมาพูดเรื่องส่งใหม่ไม่ใช่อะไรกําลังสอนพวกเราว่าการปฏิบัตินะอย่าเว้นวักอย่าเว้นวักนะไม่ใช่ตอนคุยกับหลวงพ่อก็คอยรักษาใจนะพอเลิกคุยกับหลวงพ่อก็ปล่อยตามใจชอบเลยถ้าการปฏิบัติของเรามีการเว้นวคแล้วก็มักผลนิพพานยังห่างไกลอยู่ แต่ถ้าการปฏิบัติของเราไม่ได้เว้นวักเลยนะเรามีสติทั้งที่ตื่นไปจนหลับเลยยกเว้นตอนทำงานที่ต้องคิดมันจำเป็นอันนั้นดูไม่ได้หรอกถ้าเวลาที่เหลือเนี่ยเราคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเรายังมีความรู้สึกในใจลึกๆนะว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องทำเป็นเวลานะชั่วโมงนี้ปฏิบัติพอหมดชั่วโมงนี้แล้วไม่ต้องปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้การปฏิบัติกับการใช้ชีวิตของเราจริงๆต้องเป็นอันเดียวกัน เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจะส่งไม้จะเหลียวซ้ายแลกขวาให้คอยรู้สึกตัวไปถ้าเราส่งไม้แล้วใจเราไหลไปด้วยเราก็รู้ทันแต่ถ้าเราจะส่งไม้แล้วเรากลัวนะต่อไปนี้บางคนจะเริ่มกลัวแล้วพ่อหลวงพ่อพูดอย่างเงี้เวลาส่งจะต้องทำเงี้ยนี่ก็รู้ทันอีกนะนงนี่ก็ของปลอมอีกละเนี่ยใจลอยแว บ, บหนึ่งเบอร์แปทราบไหมทีเนี้ยเนี่ยเริ่มบังคับตัวเองให้นิ่งแล้วรู้สึกไหม รู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยหัดแรกๆเหนื่อยนะเพราะอะไรเพราะอยากรู้สึกตัวแต่ถ้าไม่กลัวเผลอนะไม่เหนื่อย อ, ะอ่ะอ่าเบอร์ห้าสิบแปดหลวงพ่อครับจิตของผมนี่ยังไม่ตั้งมั่นใช่ไหมครับแล้วรู้สึกยังไง อ, อ่ะมมันฟุ้ง่ะครับยเยออแล้วมันก็ไม่ตั้งอ่นสิก็เห็นแล้วนี่แล้วทําให้ต้องถามแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าอําจริงๆอย่างจังจ แค่สินาทีเนี่ยมันจะจริงๆนั่นี่คือการทําในรูปแบ บ, บการทําตามรูปแบบที่หลวงพ่อพูด10นาทีนี่พูดเพื่อเอาใจนะถ้าบอกว่าควรจะได้สักสองชั่วโมงเลยเดี๋ยวไม่ทำํำหลวงพ่อก็บอกเอาส0นาทีก็ยังดี5นาทีก็ยังดีดีกว่าไม่ทำไอยถึงว่าอย่างเช่นว่าจงกลมเนี่ยก็คือเหมือนกับเดินเล่นเดินเล่นนะแต่ไม่ได้เดินเล่นเปื่อย เวลาเราเดินจงกรมนะเราเห็นร่างกายนี้มันเดินไปใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆายเดินไปตามปกติแหละดูไปพอใจลอยแวบไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจลอยไปเดินไปแล้วใจไหลไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ว่าใจไปเพ่งเดินเพื่อจะดูใจตัวเองไปเรื่อยๆเวลานั่งก็เหมือนกันนะนั่งดูใจตัวเองไปเรื่อยๆหรือบางคนสวดมน์นะมีบางคนมาเล่าสวดมนระหังสัมมาสัมพุโทโธยังไม่ทันพัาวาเลยแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้ว ใจไหลแวบไปรู้ว่าใจไหลไปแค่นี้ก็ใช้ได้นี่ก็คือการหัดรู้หัดรู้สภาวะต่อไปพอใจมันหลงแวบเนี่ยมันจะรู้สึกเองเลยรู้แล้วว่าหลงไปแล้วไม่ไม่ต้องทำไรนะรู้สึกเองเป็นการซ้อมมันคล้ายๆนักมวยนะนักมวยถึงเป็นแชมป์โลกก็ต้องซ้อมชกของเรานักปฏิบัตินะถึงสติจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนนะก็ต้องซ้อมซ้อมให้เกิดสติ ด้วยการทำกรรมาฐานสักอันหนึ่งนะเดินจงกรมนั่งสมาธิ ie, อะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้เท่าทันใจของเราเสียงลมมันพัดหรือไงไหมใจหนีไปฟังลมตั้งครึ่งห้องเลยนะนี่หลวงพ่อประท้วงเลยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ไหมหลงอีกแล้วเห็นไหมหลงอีกแล้วหลวงพ่อครับจิตอย่างผมก็คือว่า ครับผมเบื่อหรือผมหลงบางทีผมก็กลัวว่าเบื่อหรือหลงอ่าทีมันก็ไม่หายเบื่อหลงนะครับผมก็เลยจะไปเพ่งมันก็เลยอยากจะถามว่าผมเนี่ยทํายังไงหายเพ่งนะครับให้รู้ทันว่าเพ่งนะทําไมต้องเพ่งเพราะว่ากลัวนั่นแหละไม่ชอบเบื่อไม่ชอบหลงใช่ไหมใจมันไม่เป็นกลางพอใจไม่เป็นกลางก็เกิดการกระทํากรรมเมื่อเช้ามาเปล่าช่วงเช้ามาทันะครับมาที่หลวงพ่อพูดไงว่า พอมันเกิดยินดียินร้ายแล้วมันเกิดการกระทํากรรมขึม้นมาเราเบื่อเราไม่ชอบนะแล้วก็เลยเกิดการบังคับตัวเองขึ้นมาเกิดการกระทํากรรมเส้นใจก็จะหนักๆแน่นๆขึ้นมาเ น, นี่ยใจลอยแว บ, บหนึ่งทราบไหมครัครับเอออย่างนี้ใช่ได้เบื่อ58เนี่ยถามหลวงพ่อแล้วยังไม่แล้วใจนะรู้สึกยังคับค้องใจอย่างดีนะแค่คับคล้องนะไม่ถึงขั้นขับแขนนะ เบอร์เจอ่ะพอใช้ได้อย่าไปขมมันแรงก็แล้วกันเบอร์8ปดไปบังคับมันแรงไปนะติดนิสัยบังคับมันมากไปเบอร์ห้าสให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเรู้เหมือนเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านดูอย่างนี้นะเอาไปส่งต่อไปได้ ค, คนหนึงมึงมงใช้ทานหมดนะ่ะหมดเดอเอาไม่ต้องส่งละเลิกได้ละไปเชิญโยมกลับบ้านไป Mm-hmm. <laughs>